ธรรมบทแปลเรื่องที่173เรื่องนายนันทิยะข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในป่าอีสีปธนาทรงปรารบนายนันทิยะตรัสพระธรรมเทศนานีิว่าจีรปรวาสิ่งเป็นต้นตอน นันทิยะเป็นอนุชาตบุตรได้ยินว่าในกรุงพรณสศีได้มีบุตรแห่งตระกูลซึ่งถึงพร้อมด้วยศรัท ธ, ธาคนหนึ่งชื่อนันทิยะเขาได้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัท ธ, ธาบำรุงสงแท้อนุรูปแก่ม่นานดาบิดาเทียวครั้นในเวลาที่เขาเจริญวัย มารดาบิดาได้มีความจำนงจะนำทิดาของลุงชื่อว่าเรวดีมาจากเรือนอันตรงข้ามกันแต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีการให้ปันเป็นปกตินายนันทิยะจึงไม่ปรารถนานางลำดับนั้นมารดาของเขากล่าวกับ น, นางเรวดีว่าแม่ เจ้าจงฉาบทาสถานที่นั่งของภิกษุสงฆ์แล้วปูลาดอาสนะไว้ในเรือนนี้จงตั้งเชิงบาทไว้ในเวลาภิกษุทั้งหลายมาแล้วจงรับบาทนิมนต์ให้นั่งเอาธรรมกรดกรองน้ำฉันถวายแล้วล้างบาทในเวลาฉันเสร็จเมื่อเจ้าทำได้อย่างนี้ ก็จักเป็นที่พึงใจแก่บุตรของเรานางได้ทำอย่างนั้นแล้วต่อมามานดาบิดาเล่าถึงความประพฤติของนางนั้นแก่บุตรว่านางเป็นผู้อดทนต่อโอาวาทเมื่อเขารับว่าดีละจึงกำหนดวันแล้วทําอาวาหามงคลลำดับนั้น นายนันทิยะกล่าวกับนางว่าถ้าเธอจับบำรุงภิกษุสงฆ์และมารดาบิดาของฉันซ้ายเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็จกได้พัสดุในเรือนนี้จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดนางรับว่าดีละ่ะแล้ว ท, ทําทีเป็นผู้มีศรัทธาบำรุงอยู่สองถึงสามวัน ก็คลอดบุตรสองคนมารดาบิดาแม้ของนายนันทิยะได้ทำกาละแล้วความเป็นใหญ่ทั้งหมดในเรือนก็ตกอยู่แก่นางเรววดีคนเดียวตอนนันทิยะดำรงตำแหน่งฐานบดีจำเดิมแต่มารดาบิดาทำกาละแม่นายนันทิยะ ก็เป็นมหาธานบดีเตรียมตั้งทานสำหรับภิกษุสงฆ์และเริ่มตั้งค่าอาหารแม้สำหรับคนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นไว้ที่ประตูเรือนในการต่อมาเขาฟังพระธรรมเทศนาของพระสัสดากำหนดอานิสงส์ในการถวายอาวาสได้แล้วให้ทำศาลาสี่มุก ประดับด้วยห้องสี่ห้องในมหาวิหารในป่าอิสิปตนะแล้วให้ลาดเตียงและต่างเป็นต้นเมื่อจะมอบถวายอาวาสนั้นได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วถวายน้ำทักคีนโนทกแดพระตถาคตพระสาททิพสําเร็จโดยรัตนเจ็ดประการ สมบูรณ์ด้วยหมูนารีมีประมาณ12โยต์ในทิศทั้งปวงเบื้องบนสูงประมาณ100ยโยต์ผุดขึ้นในเทวโลกชั้นดาวดึงพร้อมด้วยทักคีโนโทกประดิษฐานในพระหัตถ์ของพระศาสดาทีเดียวตอนพระโมคคลลานะไปเยี่ยมสวรรค์ภายหลังวันหนึ่ง พระโมคคัลลานะเถระไปสู่ที่จาริกในเทวโลกยืนอยู่แล้วในที่ไม่ไกลาจากประสาทนั้นถามเทวบุตรทั้งหลายซึ่งมาสู่สำนักของตนว่าประสาททิศเต็มด้วยหมู่นางอับศร น, นั่นเกิดแล้วเพื่อใครลำดับนั้นพวกเทวบุตรนั้นเมื่อจะบอกเจ้าของวิมานแก่พระเถระนั้น จึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญวิมาณนั่นเกิดแล้วเพื่อประโยชน์แก่บุตรครหอบดีชื่อนันทิยะผู้ให้สร้างวิหารถวายพระสัสดาในป่าอิศิปตนะฝ่ายมูนางอับษรเห็นพระเถระนั้นแล้วลงจากปราศาสกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกดิฉันเกิดในที่นี้ ด้วยหวังว่าจะเป็นนางบำเรอของนายนันทิยะแต่เมื่อไม่พบเห็นนายนันทิยะนั้นเป็นผู้ระอาเหลือเกินด้วยว่าการละมนุษสสมบัติแล้วถือเอาทิพยสมบัติก็เช่นกับการทำลายถาดดินแล้วถือเอาถาดทองคาฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าพึงบอกเขาเพื่อประโยชน์แก่การมาณที่นี้ ตอนที่ปิยสมบัติเกิดรอผู้ทำบุญพระเถระกลับมาจากเทวโลกนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระสัสดาทุ่นถามว่าพระเจ้าค่าที่พิยสมบัติย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทำความดีที่ยังอยู่มนุษย์โลกนี่เองหรือหนอแลพระศัสดา โมคขลานะทิพยสมบัติที่เกิดแล้วแก่นายนันทิยะในเทวโลกอันเธอเห็นแล้วเองไม่ใช่หรือเช่ไหนจึงถามเราเล่าโมคขลานะทิพยสมบัติเกิดได้อย่างนั้นหรือพระเจ้าค่าลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับพระเถระนั้นว่าโมกขลานะ เธอพูดอะไรนั่นเหมือนอย่างว่าใครๆยืนอยู่ที่ประตูเรือนเห็นบุตรหรือพี่น้องผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานานกลับมาแต่ถิ่นที่จากไปอยู่พึ่งมาสู่เรือนโดยเร็วบอกว่าคนชื่อนน้นมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกญาติของเขาก็ยินดีร่าเริงแล้ว ออกมาโดยขมิ้ขมันพึงยินดียิ่งกับผู้นั้นว่าพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วฉันใดเราเทวดาถือเอาเครื่องบรรณาการอันเป็นทิพย์สิบอย่างตอนรับด้วยคิดว่าเราก่อนเราก่อนแล้วย่อมยินดียิ่งกาสตรีหรือบุรุษผู้ทำความดีไว้ในโลกนี้ ซึ่งละโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทธิประกาถาเหล่านี้ว่าจีรปรวาวิ่งปุริสั่งดูรโตโสติมากะตังยาติมิตาสุหัจาจักอภินันดันติอากะตังตะเทวะกะตะปุญญปิ อสมาโลกาปรังเกโตปุญญาณิปฏิการหันติปิยังยาติวะอางกตังญาติมิตรและคนมีใจดีทั้งหลายเห็นบุรุษผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานานมาแล้วแต่ที่ไกลโดยสวัสดียอมยินดียิ่งว่ามาแล้วฉันใดบุญทั้งหลาย ก็ย่อมต้อนรับแม้บุคคลผู้กระทาบุญไว้ซึ่งไปจากโลกนี้สู่โลกหน้าดูดพวกญาติเห็นญาติที่รักมาแล้วต้อนรับอยู่ฉนันแลตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าจริปรปวาสิงคคือจากไปแล้วนานบาทประกาศาว่า ดูระโตโซติมากะตังความว่าปูไดาลาบคือมีสมบัติอันสำเร็จแล้วเพราะทรรมพาณิชยกรรมหรือเพราะทำรรหน้าที่ราชบุรุษมาแล้วแต่ที่ไกลโดยไม่มีอุปัตวะบาทประกาถาว่ายาตีมิตตาสุหัชาจความว่า เหล่าชนที่ชื่อว่าญาติเพราะสามารถเกี่ยวเนื่องกันด้วยตระกูลและชื่อว่ามิตรเพราะภาวะที่เคยเห็นกันเป็นต้นและชื่อว่ามีใจดีเพราะความเป็นผู้มีหัตถ์ดีบาปพระคาถาว่าอภินันดนติอ่างกระตังความว่าญาติเป็นต้นเห็นเขาแล้วย่อมยินดียิ่ง ด้วยอาการเพียงแต่พูดว่ามาดีแล้วหรือด้วยอาการเพียงทำอัญชลีอันหนึ่งย่อมยินดียิ่งกระเขาพูมาถึงเรือนแล้วโดวยสามารถนำไปเฉพาะซึ่งบรรณาการมีประการต่างๆบทว่าตจเทวะเป็นต้นความว่าบุญทั้งหลายตั้งอยู่ในฐานะดุดมันดาบิดา นำเครื่องบรรณาการสิบอย่างนี้คืออายุวันนะสุขยศความเป็นอธิบดีอันเป็นทิพย์รูปเสียงกลิ่นรสผู้ถ้ พ, พะอันเป็นทิพย์เพลินยิ่งอยู่ชื่อว่ายอมรับรองบุคคลแม้ผู้ทำบุญไว้แล้วซึ่งไปจากโลกนี้สู่โลกหน้า ด้วยเหตุนั้นนั่นแหลสองบทว่าปียังยาติวะความว่าดุดพวกญาติที่เหลือเห็นญาติที่รักมาแล้วรับรองอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่อง นานันทิยะจบ